รวมทั้งนำท่องเที่ยวไปตามชนบทนิคมคามต่างๆอันเป็นแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ทำให้อาคารตุกะได้รับความรอบรู้ทางด้านทัศนศึกษาและสุดทึงในความรุ่งเรืองของมหาอาณาจักรที่หลงสมรวจจากภูมิศาสตร์โลกแห่งนี้เป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นสแตนลีย์คิดหรือเชิร์ดวุได้ไปมาหาสู่กับคณะของเชิาอย่างสถานที่พัก และใช้เวลาดื่มกินร่วมกันสนทนาร่วมกันในสัปพะปัญหาต่างๆเป็นประจำทุกวันและทั้งหมดจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นกันในมหาปราศาสตรของเจ้าผู้ครองนครซึ่งเสด็จออกมาร่วมโต๊ะสวยด้วยพร้อมพระราชนีในฐานะเป็นองค์ประธานส่วนเบลนั้นแอบย่องมาคุยกับดารินเป็นการส่วนตัวบ่อยๆหลอนมีเรื่องสนุกสนานระคนขบขันมาละให้ดารินได้เพลิดเพลินใจอยู่เสมอ ด้วยความเปิดเผยตรงไปตรงมาและเมื่อคบหาสนิทแล้วดารินย่อมตระหนักดีว่าเบลไม่ได้มีพิษมีภัยใดๆเลยและไม่ถือสาอะไรแม้ว่าบางขณะแม่ผมแดงจะพูดอะไรให้เป็นที่ขัดหูของหล่อนไปบ้างซึ่งหล่อนพิจารณาว่านั่นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาร้ายใดๆทั้งสิน้นและหล่อนก็มีความเอนดูรักสนิทถือเสมือนเป็นน้องสาวช่างพูดคนหนึ่ง เบลมักจะถือสนิท ต, ตามนิสัยของหล่อนเล่นหัวยอกล้อ ก, กับรพินและทุกคนอันเป็นฝ่ายผู้ชายเหมือนกันหมดโดยไม่ถือตัวซึ่งแรกๆดารินก็อาจรู้สึกขัดลูกตาไปบ้างแต่แล้วในที่สุดก็รู้นิสัยแท้จริงและเลิกถือสาแม้ว่าแม่ผมแดงจะโดดเข้ากอดคอรพิน์ต่อหน้าบุคคลทั้งหลายอย่างถือสนิท ต, ตรงข้ามกับคริสติน่าซึ่งสงบเสงี่ยมระมัดระวังตัวขีดสุด หล่อนวางตัวหาญญ่างพลราใหญ่ออกมาในทันทีนับตั้งแต่คืนฉลองสมรสคืนนั้นเป็นต้นมาอาการของหล่อนที่เป็นคนเงียบขึมอยู่ก่อนแล้วยิ่งขึ้นหนักลงไปอีกจะระหยามถ้อยคำอย่างที่สุดทุกคนรวมทั้งดารินจะเห็นเพียงรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากของหล่อนบ้างในบางเวลาเท่านั้นและจะไม่พูดอะไรโดยไม่จาเป็น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 เดินตามลำพังคนเดียวด้วยท่าทีอันสงบตรงไปยังมหาปราศาสตรของจักรราษเพื่อศึกษาร่่าเรียนทางด้านฌานสมาธิตามข้อตกลงกันไว้โดยมิได้ขาดอาการเดินของหลอนเหมือนพรามณีหรือภิกษุณีเต็มไปด้วยอาการสำรวมอิรียบทและไม่ยอมให้ผู้ใดเดินร่วมทางเพื่อนำหลอนไปส่งด้วยจนถึงสถานที่ นอกจากบางขณะบางวันอาจสนกับรพินและดารินผู้เดินเล่นอยู่ในอุทยานคริสจะเดินก้มหน้าผ่านไปอย่างสงบหรืออาจหยุดเพียงช่วระยะเวลาสั้นๆเมื่อบุคคลทั้งสองทักทายและสนทนาด้วยเพื่อตอบคำถามจิตใจของชั้นปลอดโปร่งและสุขสงบขึ้นมากทีเดียวหล่อนมักจะตอบเรียบๆพร้อมกับอาการยิ้มน้อยๆ สมเด็จพระเจ้ากรุงมรกรนครทรงมีพระเมตตาต่อชั้นมากและทรงอบรมสั่งสอนชี้ทางอสงบสุขให้แก่ชั้นเชื่อว่าก่อนที่เราจะจากมรกรนครไปชั้นคงจะถ่ายทอดอะไรต่ออะไรจากพระองค์ไปได้มากทีเดียวสาธุขออนุโมทนาด้วยใจจริงคริสพระพินบอกอย่างสุภาพอ่อนโยนหล่อนก้มศรีรษะลงรับนิดหนึ่งแต่ไม่บอกว่าอะไรอีก ดารินซึ่งขณะนั้นยืนเคียงข้างอยู่กับสามีของหล่อนก็ถามอย่างเกรงใจว่าเธอเริ่มเข้านั่งวิปัสนาแล้วหรืออย่างคริสและได้ผลอย่างไรบ้างจากกรรมฐานนั้นฉันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สองทีเดียวและเพียงแค่นั่งเข้าสมาธิโดยมีองค์จักรราชประทับคุมดวงจิตอยู่เพียงวันแรกเท่านั้นฉันก็เริ่มมองเห็นกรรมเก่าของตนเองแล้ว สิ่งชั่วร้ายต่างๆในชีวิตที่ฉันได้กระทำมาด้วยมือตนเองมันผ่านเข้ามาให้เห็นเป็นฉากฉากทีเดียวบางเรื่องบางพฤติการฉันก็ลืมมันไปแล้วแต่มันได้ผุดเด่นขึ้นมาเตือนความทรงจำฉันอีกอย่างแจ่มชัดจักรราทรงมีตะบะยานที่สูงมากฉันรู้ว่าในครั้งแรกพระองค์คงสะกดจิตฉันก่อนแต่แล้วต่อมาเมื่อฉันเพียรพยายาม ทำใจให้ว่างเปล่าและเพ่งกรสินฉันก็มองเห็นด้วยตนเองถึงพฤติกรรมในอดีต ท, ที่ฉันลืมไปแล้วมองเห็นความจริงสี่ประการที่พระองค์เรียกจตุสัตว์ที่ฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่ฉันพบมาหล่อนเหลือบมองไปทางรพินไพรวันผู้ยืนพินิษ ด, ดูหล่อนเงียบๆแต่ฉันก็ไม่ลืมอาจารย์คนแรกของฉัน ที่สอนวิชาดำรงชีพให้อยู่รอดได้ท่ามกลางภัยพิบัติทุกชนิดนั่นก็คือครูรพินคุณเป็นสิทธิ์มีครูบาอาจารย์แล้วคริสขอให้ภาคเพียรต่อไปองค์เจกราชจะทรงสอนในสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้ตัดความทุกข์ความวุ่นวายทางโลกิยะเสียให้สนิทคุณกำลังจะเป็นนักบุญแล้วไม่ว่าจะบวชในาศาสนาใดาก็ตาม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 จะแหลมล้ําก้ามเกินหนักนิดเบาหน่อยก็ได้โปรดอภัยให้ด้วยขออย่าได้ถือสาขุ่นเคืองดารินเข้าไปกอดคริสเบาๆข้อนั้นโปรดอย่าได้กังวลไปเลยฉันและพวกเราทุกคนไม่เคยถือสาโกรธเคืองอะไรพวกของเธอเลยและโดยแท้จริงคนเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมิตรที่ดีต่อเราทั้งสิ้นและเราก็มีความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้แก่พวกเขาทุกคนไม่ได้ถือสาเป็นอย่างอื่นเลยนั่นคือน้ำใจอันประเสริฐของคุณหญิงขอขอบคุณกล่าวเพียงแค่นั้นคริสก็ขอตัวแยกพระเดินจากไปน่าสงสารนะคะความจริงผู้หญิงคนนี้สวยเหลือเกินสวยจนฉันซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเองก็ยังชอบที่จะรอบมองหล่อนเสมอดารินเอ่ยขึ้นเบาๆกับสามีของหลอนขณะที่เอนศีรษะพิงไหลเขาไว้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 หน่วยเหนือเขาจะลบล้างนิรโทษกรรมคดีเก่าๆให้หน่าแปลกนะคริสมีความจำเป็นอะไรที่ต้องฆ่าคนเป็นการกระทาด้วยอาการของจิตภาพครับคริสเป็นโรคซเดซึมหลอนสังหารชายคนรักมาไม่น้อยกว่าสามคนแล้วคนไข้ผ่าตัดของหลอนก็ตายคาเขียงที่หลอนผ่าตัดหลายคนเพราะอารมณ์วิปริตเพียงชั่ววูบจนกระทั่ง ถูกยึดใบประกอบโรคศิลทางแพทย์ดารินลืมตาโตเหลือบมองหน้าเขาถ้างั้นก็โชคดีมากที่หล่อนไม่ได้ฆ่าคุณเสียในระหว่างเดินทางมาด้วยกันศีลและสัจจะของผมที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องป้องกันตัวผมให้พ้นจากเงื้อมือหล่อนครับคนที่รอดพ้นมาได้อย่างวุดหวิดอีกคนหนึ่งก็คือคุณเชิดวุฒเพราะผมคอยตักเตือนป้องกันไว้ แต่เดี๋ยวนี้หล่อนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วจั ก, กรราชช่วยให้หลุดพ้นจากห้วงกรรมได้พูดตามตรงจากความรู้สึกของฉันคริสรักคุณมากนะครับยิ่งรักมากเท่าไหร่หล่อนก็จะยิ่งฆ่าผมได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นถ้าผมหลวมโตไปมีอะไรกับหล่อนเข้าหลอนจูบที่แก้มเขาเบาๆคุณเป็นคนดีถึงได้รอดพ้นมาได้อาจเรียกได้ว่าวุดวิตจวนเจนทีเดียว แล้วนี่คุณทำความเข้าใจกับเชิดวุธแล้วหรือยังเขากำลังอยู่ในภาวะอกหักเพราะเขาหลงรักแม่นี่มากทีเดียวเชิดวุฒททำใจได้แล้วครับและเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายให้ทราบคริสไม่เหมาะสําหรับผู้ชายคนไหนทั้งสิ้นหลอนเหมาะที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นก็โชคดีที่หลอนเข้าใจตนเองหลอนเป็นคนมีครากรรมที่น่าสงสารจริงๆมาเห็นอย่างนี้ และได้ความจริงที่ซ่อนเร้นอย่างนี้จึงจะรู้ก็อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อครู่นี้หล่อนโชคดีมากที่ได้มาพบกับจักรราชอันทําให้ชีวิตผันเปลี่ยนไปได้ในทางบุญกุศลแทนที่จะจมปลักอยู่กับบาปกรรมตลอดไปความจริงหล่อนเป็นคนทั้งสวยทั้งฉลาดแต่มนุษย์เราในโลกนี้ไม่สมบูรณ์แบบไปได้หมดทุกอย่างรอบต้องมีตัว่วงหรือข้อบอกพร่องจนได้แล้วฉันล่ะคะ มีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่คุณค้นพบคุณหญิงก็มีครับก็โชคดีที่กลับตัวทันเหมือนกันฉันบกพร่องอะไรบ้างคะรพินยิ้มกระซิบข้างหูรักแต่ทําเหมือนไม่รักสอย่างทอดทิ้งชายคนรักให้ต้องทุกข์ตมใจปเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ตลอดเวลายังไงล่ะครับเพิ่งจะมาแสดงความจริงใจเอาเมื่อเวลาเกือบจะสายเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับสายใช่ไหมคะรับรองต่อไปนี้ฉันจะไม่ห่างคุณอีกแล้ว คุณยาํำคาญก็แล้วกันย่างเข้าวันที่9ของการเข้ามาพำนักอย่างปลอดโปร่งสุขสบายอยู่ในมรกรนครทั้งสองฝ่ายเริ่มประชุมหารือในกำหนดวันเดินทางกลับเพราะทุกคนสดชื่นและมีพละกกำลังกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วราตรีนั้นจักรราชและเมยานีเสด็จมาเยี่ยมคนทั้งหมดที่ปร า, าสาทสนหน้าที่ชุมนุมสนทนาหาือกันอยู่เพราะความทราบถึงพระโสด ขณะที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาถึงอย่างไม่เป็นทางการฝ่ายอเมริกันกําลังอยู่ในภาวะเตรียมข้าวของความจริงข้าอยากจะให้พวกท่านได้พำนักอยู่ที่นี่เป็นเวลาสักเดือนหรือยาวนานกว่านั้นทรงรับสั่งขึ้นรวมๆไปยังบุคคลทั้งสองคณะที่อยู่กันพร้อมหน้าหน้าที่นั้นแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะจากไปแล้วข้าและพระราทินีก็ไม่ประสงค์จะขัดขวางจะจัดเตรียมสเบียงไปให้พร้อมสับ รวมทั้งจะไปส่งจนถึงสุดปลายแดงของมรกรนครเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ทั้งสองฝ่ายกราบทูลขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจากราชทอดพระเนตรเปยังบุคคลทั้งหมดพร้อมด้วยสีพระพักที่ระบายไปด้วยรอยแย้มสวนอย่างพระไทยดีแล้วรับสั่งถามต่อไปว่าสำหรับฝ่ายดรสแตนลีย์ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าจะไม่นาเอาหลักฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านค้นพบในเครื่องบินตกลานั้น กลับไปเลยจนชิ้นเดียวถ้าท่านเปลี่ยนความตั้งใจก็ไปสแสวงหาเอาได้ตามความพอใจนะสแตนลีย์สันเสียชา้ชาๆพร้อมกับทูลตอบปนหัวเราเบาๆว่าจะไม่มีหลักฐานจากเครื่องตกแม้แต่ชิ้นเดียวที่เราจะเอาติดตัวไปด้วยพระเจ้าค้าเพราะมันไร้ประโยชน์และรังแต่จะเกิดโทษแก่พวกเราด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้หน่วยเหนือทราบความจริงใดๆทั้งสิ้นตามที่เราค้นพบเขานี้เช่นนั้นก็ตามใจท่านเถอด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 พยักพระพักชาชาแล้วแลไปทางราพินกับคิดซึ่งกำลังมุงเหมือนจะปรึกษาหารือกันอยู่ที่วัตถุสิ่งหนึ่งมีลูกหาบสองสามคนเตรียมจะมัดเข้าหีบห่อสองคนนั่นดูเหมือนกำลังถกปัญหากันไม่ตกมีอะไรยุ่งยากเป็นปัญหาหรือคิดเบ้ปากยักไหลในขณะที่รพินนิ่ง่วนสแตนลีย์กราบทูลขึ้นแทนว่าเครื่องวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่สำหรับติดต่อกับสถานีอาวากาศ อันเป็นศูนย์บัญชาการของพวกเราพระเจ้าค่ะมันชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้วคิดมีความเห็นว่าควรจะทิ้งมันไว้ที่นี่ไม่ควรจะแบกกลับไปให้เป็นภาระอีกแต่พรานรับพินทักท้วงแนะนำให้เรานำกลับติดตัวออกไปด้วยพระเจ้ากรุงมรกรนคอนย้มสวนกว้างออกไปอีกรับสั่งถามว่าท่านได้วิเคราะห์ทองแท้แล้วหรือว่าเครื่องมือสื่อสารอันสาคั ญ, ญยิ่งของท่านเครื่องนั้นชำรุดเสียหาย ก็มันใช้งานไม่ได้เลยนี่พระเจ้ า, าค่ะชี้พร่งออกมาอย่างงุดหงิดพร้อมกับเอาเท้าเตะเครื่องวิทยุรับส่งพลังสูงนั้นเบาๆข้ามีความเห็นตรงกับพรานใหญ่ระพินนั่นคือขอร้องให้พวกท่านเอามันกลับติดตัวไปด้วยเถิดเมื่อพ้นเขตมรกรนครหรือพ้นเขตนรกดําออกไปแล้วมันอาจจะใช้งานขึ้นมาได้อีกครั้งก็ได้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์สาหรับฝ่ายท่านเป็นอย่างมากชีดอึ้งไปโคลงหัวอย่างไม่ศรัทธา แต่พินพยักหน้ากับพวกลูกหาบสั่งว่ามัดเข้าหีบห่อให้ดีที่สุดเราจะเอากลับไปด้วยอุตสาหอบหิ้วมาจนถึงที่นี่ได้เที่ยวขากลับก็ต้องเอามันกลับไปด้วยจะทิ้งเสียได้ยังไงไม่ต้องฟังเสี ย, ยงนายห้างคิดหรอกเก็บไปด้วยมันไม่เป็นภาระอะไรมากนักหรอกถ้าเราจะทิ้งเราก็ควรจะทิ้งเสียตั้งแต่ปีนขึ้นเทือกพระศิวะแล้วแต่นี่ก็ยังหอบหิ้วมากันมาได้ พวกท่านเชื่อพรานใหญ่มาแล้วก็จงทดลองเชื่อเขาไปให้ตลอดเถิดบุคคลผู้นี้รอบคอบรัดกลุ่มเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างจักร้าทรงรับสั่งมาคิดไม่กล่าวอะไรอีกเพียงแต่พยักหน้ากับพวกลูกหาบให้จัดการมัดให้เป็นที่เรียบร้อยตามรับสั่งแนะนำมานั้นอย่างเสียไม่ได้ ฝ่ายของเชิฐาช่วยกันสลับสะดุนมาให้นํากลับไปด้วยเพราะเห็นว่าไหนก็ อ, อุตสาหอบผิวมากันถึงเพียงนี้แล้วและขณะนั้นเองเมญานีก็ทรงมีรับสั่งถามทุกคนขึ้นมาว่ามันดูเหมือนกับว่าท่านกําลังจะเตรียมตัวจากพวกเราไปวันนี้หรือพรุ่งนี้งั้นแหละพวกท่านกําหนดวันแน่นอนแล้วหรือไม่ว่าจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่แน่คราวนี้ทุกคนของทั้งสองฝ่ายพากันมองหน้ากันเองอยู่ไปมาและนิ่งอึ้งกันไปนาน ต่างรู้สึกมีความลำบากใจอย่างยิ่งที่จะกลับทุนให้ทั้งสองพระองค์ทราบว่าพวกเขาทั้งสองฝ่ายจะลาจากแผ่นดินที่ให้การต้อนรับอย่างแสนจะอบอุ่นผืนนี้ไปในที่สุดสแตนลีย์ผู้ซึ่งถูกฝ่ายเชิฐาเป็นฝ่ายลอบพยักหน้าให้เป็นคนทูนแทนก็กลับทุนขึ้นด้วยน้ำเสียงเกรงพระทยัยแต่ก็มั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าข้าพระองค์ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษากันเป็นที่แน่นอนแล้วพระเจ้าค่ะ ว่าจะขอพำนักอยู่กับใต้ฝาละองธุรีพระบาทอีกเพียงสองราตรีเท่านั้นในเช้าตรู่ของวันมะเรื่องหรือวันถัดจากพรุ่งนี้ไปเราทั้งหมดก็จะถวายบังคมลาแล้วระหว่างที่จักรราชยังประทับเงียบเฉยอยู่นั้นราชนีเมยานีก็พยักพระพักเนิบช้าลงแล้วทอดเนตไปอย่างเช่อถาเป็นความจริงเช่นนั้นหรือคะพี่ใหญ่อดีตท่านทูทหารบกฝืนยิ้ม อาการของเขาและทุกฝ่ายของเขารวมทั้งรพินด้วยไม่ร่าเริงเป็นสุขนักเราได้ตกลงกันไว้แล้วเช่นนั้นพระเจ้าค่าแล้วตั้งใจว่าจะกราบทูลให้ทั้งสองพระองค์ทรงทราบในค่ำนี้บังเอิญเสด็จมาเยี่ยมและทรงเห็นการจัดเตรียมตัวของพวกเราเสียก่อนเมญานีทอดเนตรลับไปตามใบหน้าของเชษฐาอนุชาชัยยันและดารินตามําดับสีพระพักสลดลงเล็กน้อยและทรงอึ้งไปชั่วะยะเวลาหนึ่ง ทุกคนสบเนตรกับนางเพียงชั่วแว บ, บแล้วก็เมินหลบไปเพราะไม่อยากจะเห็นสายพระเนตรอาไลาอาวอนกึ่งขอร้องนั้นพี่หญิงดารินพี่จะจากเมยานีไปแล้วหรือคะนางระงับพระสุรเสียงไม่ให้สั่นเครือขณะที่ทรงถามเบาๆไปทางดารินวราริศราชสกุลสาวถอนใจลึกน้ำตาคลอแต่ยิ้มให้เมยานีใต้ฝาละ อ, องทุลีพระบาททรงทราบดีอยู่แล้วว่า โดยใจจริงแล้วทางฝ่ายของหม่อมชันยังอยากที่จะพำนักอยู่ในมรกรนครใกล้เบื้องพระยุคนบาททั้งสองพระองค์ตราบนานเท่านานแต่ติดขัดจาเป็นด้วยฝ่ายของดรสแตนลีย์ยังมีภารกิจที่จะต้องกลับไปยังบ้านเมืองของเขาซึ่งเราก็ต้องไปพร้อมกันด้วยเราคงไม่อาจปล่อยให้พวกเขาไปกันตามลำพังในเที่ยวขากลับได้มันจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราทั้งหมดก็ได้มาพำนักอยู่ในมรกรนครนานพอสมควรแล้วเป็นเวลาครบ12วันพอดีสมควรที่ฝ่ายของด็อร์สแตนลีย์จะต้องกลับได้แล้วราชนีแห่งมรกรนครพยักพระพักลงอีกครั้งฝืนแย้มพระสวนออกมาเป็นความอาลัยรักอย่างยิ่งจากเราทั้งสองคนแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะขอร้องหรือขัดขวางอย่างใดได้ทั้งสิ้น เรามองเห็นความจำเป็นของฝ่ายดรสแตนลีย์และความจำเป็นของฝ่ายท่านพี่เชิฐท้าที่จะต้องร่วมทางกลับพร้อมกันด้วยก็แปลว่าเราคงมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งวันเศษๆเท่านั้นรับสั่งประโยคหลังของเมยานีเหมือนจะเป็นการรำพึงแล้วยืดพระวรกายเหยียดขึ้นเป็นสง่าเหมือนเดิมแม่สีพระพักจะสอแววอะไรปิ่มล้นสาหรับจั ก, กราธิราชนั้น คงมีริมโอดละไมไปด้วยรอยยิ้มอย่างเดิมอย่างยากที่ผู้ใดจะทํานายพระไทยได้ถูกทอดพระเนตรไปทางพรานใหญ่รพิน์ก็เห็นเขายัางง่วนอยู่กับการบงการให้พวกลูกหาบมัดหีบห่อข้าวของในสภาพปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและบุ้ยพระโอษฐ์ให้พวกของเทศดาดูตามสายพระเนตรไปยังเบื้องหลังของรพิน์ในขณะนี้เหมือนจะฟ้องให้เห็นในอากาบกริยาวางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนใดๆของพรานใหญ่ ซึ่งเชษฐาอนุชาและชยยันก็เข้าใจในความหมายพากันหัวเราะเบาๆอนุชาจึงเอ่ยเรียกเบาๆว่าระพินพรานใหญ่หันกลับมาพร้อมกับขานรับว่าครับผมดูคุณมีภารกิจยุ่งตลอดเวลานะตั้งแต่ทั้งสองพระองค์เสด็จเข้ามาที่นี่คำพูดประโยคนั้นดูเหมือนจะมีอาการประชดอยู่นิดๆ ครันใหญ่ยกหลังมือขยี้ปลายจมูกแล้วหันกลับมายิ้มกับฝ่ายเชิดาทุกคนรวมทั้งดารินผู้จ้องมองอยู่ก่อนแล้วผมต้องช่วยดูแลพวกนี้ทำงานให้เรียบร้อยครับและหน้าที่ของผมอีกจุดศเปอร์ซที่ยังเหลืออยู่ก็คือการนำพวกเขาไปส่งยังสถานที่ที่พวกเขาปลอดภัยที่สุดเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะหมดภาระการเป็นลูกจ้างและนายจ้างเศีีคงเหลือไว้แต่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น ในอนาคตข้างหน้าถ้าบังเอิญว่าเราจะได้พบกันอีกกล่าวสิ้นประโยคเพียงแค่นั้นจอมพลานก็แลด้วยสายตาตรงไปยังอดีตแงซายยกมือขึ้นแตะปีกหมวกเหมือนจะทำวันทยาหัดให้แล้วทูลด้วยเสียงเรียบเรียบปกติของเขาว่าหรือเวลาอีกนานพอสมควรที่ข้าพระองค์จะกราบถวายบังคมลาแต่คงจะไม่ใช่เวลานี้ถึงอย่างไรพระองค์และพระราชนีก็คงจ ะ, สะเสด็จ ไปส่งจนถึงปลายแดนอยู่แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะได้ยินทรงรับสั่งอยู่เมื่อครู่นี้จักรราสวนทุ้มกังวานแน่นอนท่านพรานข้าและพระราชนีจะต้องไปส่งท่านจนถึงปลายเขตแดนแน่คงไม่บุกร่องหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ดีหรอกแม้ว่าแขก บ, บางคนของเราจะไม่ค่อยจะเอาไหนนักรับสารเช่นนั้นทําให้ทุกคนในสถานที่นั้นพากันหัวเราะขึ้นอย่างขบขันรับพินเพียงแต่ยิ้ม ทำปากมุกบิดมาเหมือนจะด่าให้แต่ไม่มีเสียงใดๆผ่านจากกลินฟิปาของเขาเมยานีเสด็จดำเนินเข้าไปยังอิซาเบลผู้พระจากการจัดของยืนคอยรับเสด็จอยู่เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จเข้ามาในห้องพักนางได้วางหัดลงบนไหลของแม่ผมแดงแล้วรับสั่งอ่อนโยนด้วยว่าอิสซาเบลเธอคงจะดีใจที่อีกไม่นานจะได้กลับบ้านแล้วเบลควา้าพระหัตถ์ข้างนั้นขึ้นมาจูบเบา หม่อมชั้นยังไม่อยากจะจากใต้ฝาละองธุรีพระบาทและมรกนณครไปหอกเพคะที่นี่หม่อมชั้นมีแต่ความสุขทุกอย่างด้วยพระเมตตาแต่ก็อย่างที่ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าภารกิจของพวกเรายังมีถ้าไม่มีเรื่องการงานเข้ามาผูกพันเสียอย่างเดียวหม่อมชั้นอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียด้วยซ้ำแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆที่พวกเธอมาอยู่กับเราที่นี่ทำให้เราทั้งสองมีความสุขมาก นางพยามรากรนครรับสั่งและวทรงหันไปทางคริสติน่าผู้ยืนงีบสงบอยู่แม้ในขณะที่เตรียมเข้าของเพื่อจะเดินทางกลับบ่ายวันนี้หล่อนก็ยังอยู่ในชุดขาวแสดงว่ายัางเตรียมพร้อมที่จะไปศึกษาธรรมกับองค์จักรราชเหมือนเช่นเดิมทุกวันคริสทรงรับสั่งขึ้นพร้อมทั้งแย้มสวนให้อย่างอ่อนหวานและจับที่ต้นแขนของแม่ผมทองบีบแน่นเธอเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกับข้าคือองค์จักรราช เสีดาเวลาอันน้อยนิดที่เธอได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมกับพระองค์ที่นี่และนี่ก็เตรียมจะเดินทางกลับกันอยู่แล้วเธอจะยังไปศึกษาอยู่เหมือนเดิมหรือไม่คริสย่อกายลงอย่างสุภาพอ่อนน้อมขีดสุดเป็นวาสนาอย่างยิ่งของหม่อมชั้นเพคะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมกับองค์จักรราชแม้จะเพียงเวลาอันน้อยนิดและหม่อมชั้นจะคงขอศึกษาต่อไปในบ่ายนี้ และบ่ายพรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทูลลาจากเป็นการดีมากที่เธอเต็มไปด้วยอุตสาหะวิริยะไม่ได้ว่างเว้นการศึกษาเล่าเรียนเลยแม้แต่สักวันเดียวบ่ายของวันนี้และพรุ่งนี้ก็จงไปศึกษาเหมือนเดิมประเดี๋ยวเวลาเสด็จกลับมาปราศาสตร์เธอจงเตรียมเสด็จพระองค์ไปเถิดและเหลือเวลาอาหารค่าที่เราจะร่วมรับประทานกันอีกเพียงสองครั้งเท่านั้น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 ปล่อยหน้าที่การจัดเข้าของให้แก่พักพวกที่เหลืออยู่ทั้งหมดเมื่อองค์จักรราชและเมยานีทรงลาจากบริเวณที่พักของสแตลลี่ไปได้สักครู่เช่ฐาก็ชักชวนคณะทั้งหมดของตนกลับที่พักโดยบอกว่าทางด้านผมก็ขอตัวไปจัดเข้าของบ้างแต่คงไม่กินเวลาอะไรมากนะเพราะสัมภาระฝ่ายผมไม่มีอะไรมากแล้วเราก็พบกันอีกครั้งที่โต้สเสวยในราชวังหลวงค่ำนี้ เชิญครับขอบคุณมากที่ช่วยมาดูแลจัดเข้าของให้พวกเราสแตนลีย์เข้ามาจับมือขย่าเบาๆและหันไปทางรัพินผมคิดว่าทางนี้เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เหลือเราจะจัดการแพ็คกันเองคุณไปช่วยทางด้านคุณชายเชิดฐาเถิดไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรอยู่ที่นี่อีกแล้วรัพพินรับคําหันไปสั่งความกับคิดและบุญคําอีกสองสาประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นสั่งให้แพ็คเครื่องรับส่งวิทยุให้ดีที่สุด แล้วก็เดินตรงเข้าไปหาฝ่ายของเชิฐ้าที่ออกมาชุมนุมรอคอยกันอยู่ตรงบริเวณที่ผูกม้าไว้ขณะนั้นเบลก็ร้องโวกเวกว่าหล่อนจะขออนุญาตตามรับพินไปด้วยซึ่งสแตนลีย์ก็ไม่ขัดหล่อนจึงวิ่งมาเกาะแขนเขาไว้เดินหัวเราะเข้ามาโดยเอาตัวเขามาส่งให้แก่ดารินเอาน้อยฉันเอาตัวมาให้แล้วจูงไปให้ดีระวังเด็กหายดารินหัวเราะตอบคว้าข้อมือรับพินไว้ รับรองว่าต่อไปนี้เด็กจะไม่มีวันพลาดหลงไปจากฉันอีกแล้วล่ะเบลขอบใจที่จูงมาส่งฉันกำลังจะไปลากเขาออกมาอยู่ทีเดียวคุณหญิงจะไม่มีวันลากผมไหวหรอกครับเว้นเสียแต่ผมจะตามคุณหญิงไปเองรับพินตอบเบาๆเอานิ้วเขีย่ยแก้มหลอนดารินก็บอกว่าถ้าฉันลากด้วยตัวเองไม่ไหวฉันก็ใช้ม้าให้ช่วยลากให้ลองดูไหมล่ะ ผู้หญิงคนที่เคยใช้บ่วงบาดคล้องตัวผมไว้แล้วแล้วลากด้วยมา้าคือจิตราขนางในยุคนั้นครับคงไม่ใช่คุณหญิงดารินในยุคนี้หรอกแต่ถึงในยุคนั้นผมก็ยังกระโดดเกาะหลังม้าของจิตราขนางเอาไว้ได้ก่อนที่จะถูกลากกลิ้งไปกับพื้นเมื่อคราวยุทธกรีธาระหว่างแคว้นระพินกระซิบข้างหูภรรยายอดรักของเขาดารินยนจมูกกระซิบตอบว่า ก็แค่ทดลองดูเท่านั้นว่าอาคเนรุตจะเก่งกาจสักแค่ไหนใจจริงก็ไม่คิดที่จะลากให้เนื้อตัวเละเทปไปรอกในครั้งนั้นนะ่ะสัญญากันไว้แล้วหลายครั้งว่าจะไม่พูดถึงความเก่าอีกเลิกเอ่ยถึงในยุคนั้นสิทีเถอคะค่ะรับพินยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะพูดอู้อี้ออกมาว่าตกลงไม่พูดอีกแล้วกล่าวจบเขาก็าอุ้มดารินส่งขึ้นไปบนหลังม้าที่ผูกชุมนุมกันไว้ที่หน้าที่พักของฝ่ายอเมริกัน เพราะคณะของเชษฐามากันด้วยมา้าเนื่องจากระยะทางอันห่างไกลพอสมควรต่างครั้นที่จะเดินกันมาและแทนที่ตัวเองจะโดดตามขึ้นไปบนหลังม้าใหญ่ตัวนั้นด้วยก็คว้าเอวของเบลซึ่งยังยืนเเก้ๆกังๆอยู่บริเวณนั้นอุ้มส่งให้ขึ้นไปนั่งซ้อนหลังดารินอีกคนฝากเบลไว้ด้วยคนครับคุณหญิงเบลจะได้ไปช่วยจัดของให้คุณหญิงตกลงและตัวคุณเองล่ะหลอนร้องถามมาขณะที่กระตุกสายบางเหียน ไม่เป็นไรผมเดินจูงม้าไปให้คุณหญิงก็ได้ก็ดีเหมือนกันคุณสุภาพบุรุษรพินจูงไปให้ดีๆนะอย่าให้ม้ามันเผ่นตเตลิดเดี๋ยวเบลร่วงลงมาฉันไม่รู้ด้วยนะอิซาเบลก่อนเอลลอนไม่แน่นหัวเราะเกี้ยวออกมาห่อให้เต็มเหยียดเลยน้อยไม่ต้องกลัวฉันไม่ตกหอกทิ้งสามีของเธอให้เดินไปอย่างนี้แหละเขาเป็นนักเดินที่ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ว่าแล้วเบลก็ใช้ส้นเท้ากระแทกสีข้างม้าของดารินโดยแรงทํำให้มันกระโดดเพ่นพนไปเบื้องหน้าหลุดจากมือของรอพินที่ถือจูงสายตรงบริเวณคอของมันไว้ดารินร้องออกมาว่าไม่ได้ปล่อยให้เขาเดินไปคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวก็เดินเลี้ยวไปริยนธรรมะนั่งวิปัสสนากับจักรราสิอีกคนหนึ่งเท่านั้นแล้วหล่อนก็เรียกชายยันผู้กําลังเพิ่งก้าวขึ้นหลังม้าของตนตะโกนว่าชายยันรับประบพินไปด้วยนะ มาชั้นเต็มแล้วนั่งกันอยู่สองคนช ย, ยันหัวเราะแล้วกระตุ้นม้าให้เดินเฉียดผ่านเข้ามาที่ราพินพร้อมทั้งร้องสั่งให้เขาโดดขึ้นคร่อมหลังตามคําสั่งของดารินและทั้งคณะก็บ่ายหน้ากลับปราสาทหลังค่าคืนนั้นภายหลังร่วมโต๊ะเสวยเสร็จเหมือนเช่นตามปกติทุกเย็นและฝ่ายของเชษฐาได้พากันกลับมายัางที่พักของตนแล้ว อีกชั่วไม่นานทุกคนก็ประหลาดใจและยินดีที่เห็นจักรราเสดมายังปราสาทที่พักของพวกตนในระหว่างที่นั่งสนทนารวมกลุ่มกันอยู่ในห้องโถงกลางเพราะยังเป็นเวลาหัวค่ําอยู่กษัตริย์หนุ่มเสด็จมาตามลําพังอย่างเป็นการส่วนพระองค์เมื่อย่างพระบาทเข้ามายังห้องโถงกลางระหว่างที่ทุกคนฝ่ายแช่ถากําลังรวมกลุ่มสนทนากันก็ทรงแย้มสวนโบกพระหัตถ์ให้ในขณะที่ทุกคนมีอาการตกใจเล็กน้อย เตรียมจะลุกขึ้นยืนทำความเคารพรับเสด็จตามสบายครับผมมาอย่างแงซายอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องทุเรศของเจ้ากระห่งแพนจรนคนนั้นมาด้วยก็ตามและที่มาก็จะมาสนทนาด้วยและให้คําปรึกษาที่ดีแก่พวกเจ้านายของผมสำหรับในเที่ยวขากลับนี้น้ำเสียงทุ้มกังวานปนหวเราะนั้นดังเข้ามาก่อนอย่างสนิทสนมเป็นกันเองก่อนที่จะเข้าเข้ามาถึง แล้วสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าของทุกคนที่พากันจ้องมาทางเขาเป็นตาเดียวดีใจมากที่เห็นเธอมาเยี่ยมเราอีกครั้งที่นี่แง่ทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาเราใกล้จะลาจากเธอไปแล้วเชิฐาเอ่ยขึ้นทุกคนตระหนักดีในระหว่างที่พำนักอยู่ในมรกฏนครว่าเมื่อใดวาระไหนจะใช้คำพูดกับจักรราชในลักษณะอย่างใด แอบหนีเมียมาคุยกับเราบ่อยๆอย่างนี้เมียแกไม่ว่าเอามั่งหรือไงแงซา ย, ายชายันถามมาบ้างทำให้แงซ า, ายยิ่งหัวเราะดังขึ้นไปอีกเมียผมไม่ค่อยจะจุกจิกต่อแยนักหรอกครับในเรื่องนี้และเธอกลับจะดีใจเสีย อ, อีกที่ผมเอาใจใส่ดูแลกับคณะเจ้านายเก่าของผมมาตลอดความจริงเมยานีอยากจะตามมาด้วยแต่ผมเป็นคนขอร้องเองว่าผมอยากจะมาพบกับเจ้านายเก่าของผมตามลำพัง เพราะการมาของเธออาจทําให้ฝ่ายเจ้านายผมเกิดความเกรงใจหรืออึดอัดขึ้นและสําหรับเธอนั้นก็ได้ไปมาหาสู่กับนายหญิงและพวกเจ้านายทุกคนเป็นประจำอยู่แล้วเธอน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะจั ก, กรราชหรือแง่ายกำลังคิดถึงอยู่ทีเดียวแต่เป็นการคิดถึงแง่รายมากกว่าจั ก, กรราชซึ่งพวกเราเพิ่งระจากการร่วมโตเสวยมาเมื่อยุกยุนี่เองดารินบอกมายิ้มยิ้ม สายตาที่มองไปยังแง่ทายเต็มไปด้วยประกายรักอย่างสนิทใจเยี่ยงน้องชายร่วมสายโลหิตเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกท่านทุกคนผมก็อยากจะเป็นแง่ทายมากกว่าที่จะเป็นจักรราชและรู้สึกไม่สบายใจนักเมื่อทุกครั้งที่พวกท่านต้องแสดงและปฏิบัติต่อผมและเมญาณีไปในอีกรูปแบบหนึ่ง และโดยใจจริงของผมถ้าไม่ติดภารกิจที่จะต้องปกครองเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของผมในแผ่นดินนี้ก็ยังอยากที่จะเป็นลูกหาบช่วยแบกของไปให้พวกท่านในเที่ยวขากลับนี่ด้วยนี่พูดออกมาจากแก่นแท้ไม่ใช่เพียงแค่กำนันท่านด้วยปากทุกคนที่ได้ยินคําพูดเช่นั้นก็พากันยิ้มออกมายกเว้นระพินคนเดียวอนุชาบอกว่าเรารู้เราเข้าใจในข้อนั้น แต่นายอยู่ที่นี่น่ดีแล้วแงซายโลกภายนอกของพวกเราที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่กันนั้นมันต่ำสามนักว่าแต่นี่นี่คืนนี้จะมาทำเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราอีกแงซายสันหน้าไม่มีครับนายกลางไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆอีกแล้วสำหรับผมเมื่อจัดการแต่งงานให้กับผู้กองกับนายหญิงของผมลุล่วงเรียบร้อยไปก็เปรียบเสมือนภาระอันหนักอกยิ่งใหญ่ในชีวิตของผม ได้ถูกปลดเปรื้องไปแล้วจนหมดสิ้นมันหมายถึงว่าผมได้ทำให้ใบหน้าที่ตายด้านแข็งกระด้างประดุดหินบนลลุมฝังศพของผู้กองรัพินซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเป็นใบหน้าของมนุษย์ปกติธรรมดากับเข้าได้สทีจึงไม่มีอะไรที่จะต้องทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วเห็นไหมท้ายสุดแกก็ไม่วายที่จะต้องมาแวง้งมาเนบชั้นจนได้นั่นแหละรพิน บ, บอกมาพร้อมกับยิ้มให้ และคําพูดฉะนั้นของแง่ท า, ายทําให้ทุกคนแม้แต่ดารินพากันหัวเราะเราทุกคนขอบอกกับเธออีกครั้งว่าไม่อยากจะจากเธอเมยาณีและชาวมรกตนครทุกคนไปเลยดารินพูดออกมาจากแก่นลึกจริงใจของหล่อนแง่ท า, ายก้มศรีรษะลงแช่มช้าผมตระหนักในความรู้สึกของนายหญิงผู้กองและทุกท่านดีครับในข้อนี้แต่เมื่อถึงคราวจําเป็นที่จะต้องจากเราก็ต้องจาก นี่เป็นสัตรธรรมข้อหนึ่งของชีวิตและภายหลังจากกันในครั้งนี้แล้วเราคงหมดโอกาสที่จะได้พบกันด้วยตัวจริงของเราอีกแล้วเว้นเสียแต่โดยทางจิตวิญญาณของเราแต่ละฝ่ายเท่านั้นพวกท่านคงไม่ลืมเท่าเท่ากับที่ผมเมยานีและชาวมรกกนครทุกคนก็จะไม่มีวันลืมท่านตลอดไปทุกคนอึ้งงันไปนาน เราไม่อยากจะให้วันเวลานั้นมาถึงเลยแงซายแต่ความจําเป็นมันบีบบังคับอยู่เกี่ยวกับทางด้านฝ่ายอเมริกันเขาถ้าไม่มีพวกนั้นเราอาจอยู่กับนายที่นี่ให้นานกว่านี้ที่สุดเชษฐาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำพร่าของเขาผมมาพบพวกท่านในคืนนี้นอกจากจะมาคุยเป็นการส่วนตัวแล้วผมมีข้อแนะนําที่ดีเกี่ยวกับเส้นทางกลับเพื่อย่นระยะเวลาของพวกท่านรวมทั้ง เพื่อจะไม่ให้เหนื่อยยากฝ่าอันตรายเหมือนเที่ยวเที่ยวขามาผู้กองครับขอเชิญผู้กองมานั่งข้างๆผมหน่อยผมไม่อยากให้ผู้กองไปนั่งห่างผมอย่างนั้นเลยประโยคหลังแง่ทรายเอ๋อยยิ้มยิม้ขณะที่แลไปทางรพินผู้นั่งเช็ดลูกเลื่อนของไรเฟิลอยู่ห่างจากคณะออกไปเล็กน้อยพรานใหญ่ลุกขึ้นโดยดีละจากไรเฟิลประจํามือชั่วขณะแล้วมาซุดตัวนั่งอยู่ข้างๆแ ง, ง่ทร า, าย มีอะไรที่แกจะให้ประโยชน์ับพวกเราในการเดินทางกลับหรือเขาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นมากทีเดียวครับก่อนอื่นผมอยากจะให้ผู้กองลืมหรือทิ้งไอ้แผนที่สั่งกระบวยเก่าของผู้กองที่ทำไว้ในเที่ยวขากลับในครั้งนั้นแล้วเรามาพิจารณาเส้นทางที่ผมจะชี้ให้ใหม่ดีกว่าขออพากาของผู้กองและกระดาษผมสักแผ่นเอาจากสมุดบันทึกก็ได้ รับพินดึงปากกาลูกลื่นจากกระเป๋าเสื้อของเขาส่งให้แงซทายและทําท่าจะค้นหาสมุดบันทึกเล็กๆประจําตัวขนาดนั้นเองดารินก็เอาสมุดบันทึกของหล่อนเล่มขนาดค่อนข้างเขืองยื่นส่งมาให้บอกว่าอา้าวไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนหรอกนี่กระดาษแง่ทรายรับสมุดบันทึกมาจากนายหญิงฉีกเอาแผ่นที่ว่างเปล่าออกมาแผ่นหนึ่งและ ว, วางลงไปบนแท่นหินตรงหน้าที่ยกสูงขึ้นมาเหมือนโต๊ะทุกคนก็เข้ามารายล้อมทันที โดยเฉพาะระพินผู้ประกบอยู่ด้านข้างผู้กองและทุกท่านโปรดสังเกตให้ดีนะครับนี่คือถนนพระสิวะและนี่คือปลายถนนที่ผู้กองและฝ่ายอเมริกันไต่ขึ้นมารวมทั้งการมาถึงที่นี่ในครั้งแรกซึ่งมีผมมาด้วยในครั้งนั้นด้วยเราก็ไต่ทางอันแสนลำบากยากเข็นขึ้นมาทางด้านนี้ พระเจ้ากรุงมรกรนครในวิญญาณเก่าของแง่ทรายรับสั่งขึ้นช้าๆขณะที่ขีดเส้นลงไปยังแผ่นกระดาษนั้นถนนสายนี้นำมาสู่มหาอาณาจักรมรกรนครโดยใช้เดินทางด้วยม้าประมาณ3วันในเที่ยวขากลับครั้งก่อนผมก็ได้ไปส่งผู้กองและทุกท่านยังตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่กึง่งกลางของถนนพระศิวะตรงจุด X ที่ผมกากบาดลงไปนี่ เป็นตำแหน่งที่คณะของนายใหญ่ไต่ทางขึ้นมาโดยการนำของวายาและเมื่อไต่ขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงจุดกึ่งกลางของถนนพระศิวะอันยาวเหยียดใกล้ชนบทนิคมคามที่ถูกเรียกนามกันว่ากัตทรีคามจุดนี้แหละที่คณะของนายใหญ่ได้เหยียบย่างขึ้นมาถึงและพบเมยานีกับกองทัพส่วนหนึ่งดักรับอยู่พอดีมันจะใช้ระยะการเดินทาง จากจุดนี้ถึงพระนครหรือจากพระนครถึงจุดนี้ประมาณวันครึ่งด้วยมา้าพระพินและทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นจ้องตามไม่กระพริบแล้วยังไงต่อไปพรานใหญ่ซักโดยเร็วในการไปส่งเที่ยวนี้ผมจะไปส่งทุกคนที่จุดอันเป็นกัตรรีคามหรือจุดกึ่งกลางของถนนพระศิวะนี่แหละเพื่อว่าทุกท่านจะได้ไต่ทางลงไปทางด้านนี้อันจะทําให้เสียงอันตรายน้อยกว่าและย่นระยะทางได้มากกว่า แต่ฉันยังไม่เคยรู้จักหนทางที่แกกําหนดไว้นี่เลยนะแงาซายพระพินท้วงออกมาเบาๆแต่พวกเราเคยใช้เส้นทางนี้มาแล้วเชษฐากล่าวโดยเร็วเราพอจําเส้นทางได้เพราะวายานําทางเรามาแงาซายยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามบุคคลทั้งสองไว้ในความในที่แตกต่างกันออกไปบอกมาว่าผู้กองไม่เคยรู้จักทางมาก่อนก็ไม่เป็นไรส่วนนายใหญ่ที่อ้างว่าพอจะรู้จักเส้นทางที่วายานํามาส่ง ผมก็ขอท้วงไว้เพราะขากลับทุกท่านคงมุประสงค์จะผ่านนาครวานอนที่ภูเขานนลกาอันจะทำให้หนทางอ้อมไกลไปโดยเสียเวลาเปล่าถ้างั้นนายมีข้อแนะนำอย่างไรอนุชากับชัยยานร้องออกมาพร้อมกันทุกคนดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดหมดทั้งสิ้นลงชั่วขณะนอกจากเพ่งสายตาลงไปยังแผนที่ซึ่งแงสายกำลังลากเส้นอยู่ในขณะนี้ผมมีข้อแนะนาว่า ถ้าไม่ประสงค์จะอ้อมไปยังนครลิงของวายาอีกให้เสียเวลาภายหลังจากไต่ลงจากไหลถนนและข้ามภูเขาเตี้ยลูกนี้ลงไปแล้วขอให้มุ่งตัดป่าไปทางด้านตะวันตกก่อนภูมิประเทศในช่วงฤดูการนี้จะเดินไม่ยากนักเป็นลอนลูกเขาขึ้นๆลงๆสลับซับซ้อนอยู่หลายสิบลูกบายหน้าตะวันตกอย่างเดียวใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 วันและจะมองเห็นทิวปีครุฑอยู่ทางด้านใต้ จากนั้นให้บ่ายเข็มไปทางด้านใต้ตลอดใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 ถึงวันผู้กองก็จะมองเห็นหนทางโดยสะดวกเองว่าจะตัดป่านำออกไปสู่ป่าของโลกภายนอกได้อย่างไรเพื่อให้ย่นระยะทางและย่นเวลาที่สุดผมเพียงแต่แนะนำแค่นี้ผู้กองคงจะเข้าใจโดยตลอดสำคัญในช่วงแรกที่จะมุ่งลงตะวันตกนี่ก่อนเท่านั้นถ้าผิดทิศ ท, ทางหรือเบนออกนอกเส้นทางจะกินเวลามากและจะพบกับอุปสรรคในด้านการเดินทาง เพราะหนทางธุรกันดารยิ่งเส้นทางที่ผมแนะนำนี้หาใช่เส้นทางตายตัวที่จะไปหรือจะมาได้ทุกครั้งไม่แต่จะเป็นเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นและเวลานี้ก็เป็นช่วงของการเวลาที่เหมาะสมพอดีเพราะดวงดาวต่างๆเข้ามาอยู่ในมุมองศาที่ถูกต้องสบพงกันอย่างสอดคล้องแต่ถ้าผิดจากเวลานี้ไปแล้วเส้นทางก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์กันเป็นคราวๆไปทุกคนนิ่งตะลึงเงนิน กระพินเม้มริมฝีปากขบวดคิ้วและจ้องหน้าแงสายขม็งนี่หมายความว่ามันจะเป็นเส้นทางสะดวกเฉพาะช่วงการเวลาเท่านั้นเองหรือครับเฉพาะช่วงการเวลาเท่านั้นฉันแปลกใจในข้อที่ว่าในเที่ยวขามาแกไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอาศัยติดตามมากับฉันแ ท, แท้แต่ดูนี้แกกลับรู้เส้นทางได้ปรุโปร่งหมดสิน้นแงาสายหัวเราะเบาๆผู้กองเป็นคนฉลาดแต่กลับถามงู้ง คนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อเริ่มเรียนศึกษาก็ย่อมจะรู้ขึ้นมาได้และรู้ดีเสียกว่าคนที่เคยรู้แต่ไม่เคยคิดจะศึกษาเพิ่มเติมเลยอย่าแปลกใจไปเลยครับเมื่อผมได้กลับมายังแผ่นดินนี้แล้วมีตำรับตำรายอยู่มากมายก่ายกองเหลือเกินที่จะให้ผมได้ร่ําเรียนศึกษาถึงวิธีจะหวนกลับออกไปสู่โลกภูมิศาสตร์ภายนอกมันเกี่ยวพันกับดาราศาสตร์และการซ้อนเหลื่อมของการเวลาที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย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 เป็นความจริงในข้อที่ว่ายุคนี้ฉันโง่กว่าแกมากในเรื่องของเส้นทางและมันมีเหตุผลที่ฉันจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามแกเป็นอันว่าเราจะต้องตัดทางลงตรงตามตำแหน่งเดียวกับที่นายใหญ่ขึ้นมากลางถนนพระศิวะนี่หรือถ้าต้องการเส้นทางที่สะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าและแกจะไปส่งพวกเราตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้แหละที่เราจะร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเส้นทาง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 และเป็นการดีมากที่ช่วยชี้นำแนะแนวทางแก่เราเดต้าเอ่ยออกมาด้วยเสียงห้าวต่ำของเขาในขณะที่คนอื่นๆพากาพันพึมพำแซดด้วยความพอใจรัะคนประหลาดใจยิ่งรับพินส่งมือว่าให้แง่ทรายจับและบีบเขย่าโดยแรงฉันไม่มีทางขัดแย้งแกได้เลยแง่ทรายและจะทำตามข้อแนะนำของแกทุกอย่างผมเขียนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วนะครับในกระดาษแผ่นนี้ผู้กองเก็บรักษาไว้ให้ดี สงสัยเมื่อไรให้เอาออกมาดูผมคิดว่าคณะทั้งหมดภายใต้การนำของผู้กองจะเดินทางในเที่ยวขากลับนี่ได้อย่างสะดวกสบายที่สุดแต่อย่าถือเป็นหลักตายตัวที่จะย้อนกลับมาหาผมอีกเพราะถ้าการเวลาเปลี่ยนภูมิประเทศมันก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยจะทำให้หลงผิดทางไปได้อิทธิพลของดวงดาวเป็นสิ่งลี้ลับสาหรับมนุษย์ที่ยังศึกษาไม่ถึงแง่ทรย พวกเราไม่มีคำใดที่จะกล่าวกับเธอได้มากไปกว่าคำพูดว่าขอบใจมากที่สุดดารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือไปด้วยความปิติปราโมทและสำนึกในบุญคุณเงยสายเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวอะไรแต่ส่งกระดาษที่ตนเขียนเป็นแผนที่คร่าวๆนั้นให้เราพินซึ่งพรานใหญ่รับมาพิจารณาและบรรจงพับใส่กระเป๋าเสื้อไว้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เราจะได้กินอาหารร่วมกันและมรืน ที่เราเดินทางร่วมกันได้พักแรมกันอีกคืนกับอีกครึ่งวันหลังจากนั้นก็จะลากันแบบแฟเวแล้วชัยยันพึมพำผมอะไรแต่จะไม่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะในการจากไปของพวกท่านเลยเพระาะทราบดีว่าท่านกลับไปมีความสุขในบ้านเมืองถิ่นฐานของท่านตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กองรพินและนายหญิงของผม ก็อยากจะขอถามสักนิดว่าถ้ากลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วจะจัดให้มีพิธีวิวาขึ้นอีกไหมครับดารินกับรบพินมองหน้ากันแล้วชำเลืองไปทางพี่ๆอันเป็นผู้ใหญ่ยังไม่อาจตอบคำถามแง้ส า, ายได้เมื่อนั้นเองเชษฐาจึงเป็นฝ่ายกล่าวขึ้นว่าดารินกับรบพินไม่จาเป็นที่จะต้องไปจัดพิธีแต่งงานที่ไหนอีกทั้งสิ้นเพราะการแต่งงานของเขาทั้งคู่ที่นี่ สมบูรณ์แบบเรียบร้อยครบสิ้นหมดทุกประการแล้วโดยกษัตริย์จั ก, กราธที่ราชเจ้าเป็นผู้ทรงพระราชทานพิธีสมรสให้อย่างสมเกียรติที่สุดเมื่อได้ยินพี่ใหญ่กล่าวดังนั้นดารินก็บอกหนักแน่นว่าใช่เราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องจัดพิธีสมรสซ้ำขึ้นอีกแล้วเพราะเราทั้งคู่ได้เข้าพิธีที่นี่อย่างถูกต้องเพียบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วอย่างมากที่สุด ที่เราจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือแค่ไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอดีตคนใช้ชาวดงยิ้มพรายก้มศรีรษะให้แก่สองสามีภรรยาและผู้ใหญ่ทั้งหมดในานามของจักราธิราชเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติผมและไม่เห็นว่าพิธีการต่างๆที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นเป็นสิ่งเลวรครั้งแรกเมื่อจากกันคราวนั้น ผมได้มั่นนายหญิงไว้ให้แก่ผู้กองแล้วและเมื่อวกกลับมาในคราวนี้ผมก็ได้จัดการแต่งงานให้เสร็จเลยผมภูมิใจอย่างที่สุดใต้ฝาละองธุรีพระบาทเพคะดารินเอ่ยขึ้นแผ่วเบาณที่นี้เวลานี้โปรดเรียกผมว่าแงซายเถิดครับนายหญิงแงซายครับผมฉันอยากจะทราบว่าคริสติน่าได้ศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมกับเธอไปถึงไหนแล้ว แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นก็เป็นที่น่าพอใจมากครับเพราะเกณฑ์ชะตาของหล่อนให้อยู่แล้วเนื่องมาจากถึงคราวที่จะหมดเคราะห์กรรมชาตินี้เป็นชาติที่หล่อนจะบรรลุถึงแล้วซึ่งทำแม้ว่าชีวิตเบื้องแรกจะแปดเปื้อนไปด้วยบาปมนทินก็ตามขณะนี้คริสตินาพร้อมแล้วที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าแม้จะภายใต้กฎเกณฑ์ศาสนาเดิมของหล่อนก็ตาม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 รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่สรรพสัตต์ผู้ร่วมโลกอย่างอนเนก อ, อนันต์ประการทั้งหลายนี้หาได้เกิดจากผมไม่แต่เป็นบัญชาจากสวรรค์เบื้องบนผมเพียงแต่เป็นผู้แนะชี้แนวทางให้เท่านั้นดารินพนมมือขึ้นเหนือทรงอกในขณะที่ทุกคนเงียบงันกันไปหมดริมฝีปากของหล่อนหมุบมิบคำว่าสาธุออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดผมอยากจะขอฝาก พ่อลุงนานอินไว้ในความดูแลของนายหญิงและทุกท่านด้วยแกเป็นผู้มีบุญคุณกับผมมากและแก่ชรามากแล้วขออย่าให้แกต้องเร่ร่อนพเนจรไปในป่าอีกเลยเพราะผมจะขอให้แกอยู่กับผมที่นี่แกก็ไม่ยอมจะขอติดตามพวกเจ้านายกลับไปด้วยแง่ซายกล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซึมลงเราขอให้คารับรองเชฐาอนุชาชัยยันและระพินกล่าวออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมด เรากับนัดกันไว้และดารินได้ย้ำอย่างหนักแน่นต่อไปอีกว่าเราจะเลี้ยงดูนานอินอย่างดีที่สุดจะไม่ให้แกต้องเร่ร่อนไปในป่าอีกแล้วและพวกเราก็รักแกมากแง่ท า, ายอย่าได้กังวลใจในข้อนี้เลยเป็นพระคุณต่อผมอย่างยิ่งครับผมที่ได้รับทราบดังนี้